มีสงแห่งสุจริตห้าอย่างอานนลกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรทำโดยส่วนเดียวท่านพระอนนลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าควรทำโดยส่วนเดียว บุคคลนั้นจะได้รับอนิสงอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่อบุคคลทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับอนิสงดังต่อไปนี้คือ 1. แม้ตนกคติเตียนตนเองไม่ได้ 2. ผู้รู้ใครครวนแล้วย่อมสรรเสริญ 3. กิติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 4. ไม่หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อบุคคลทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับอนิสงค์นี้ อคุศนและการบําเพ็ญกุศลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอกุศลบุคคลสามารถละอกุศลได้ถ้าบุคคลไม่สามารถละอกุศลนี้ได้เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลก็เพราะบุคคลสามารถละอกุศลได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศล ถ้าอากุศล น, นี้ที่บุคคลละได้แล้วพึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอะกุศลก็เพราะอกุศลที่บุคคลละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลบุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได้ ถ้าบุคคลไม่สามารถบำเพ็ญกุศลนี้ได้เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลก็เพราะบุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลถ้ากุศลนี้ที่บุคคลบำเพ็ญแล้วพึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เราไม่พึงกล่าวอย่าง <Después S 1> นี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล <equally S 1> ก็เพราะกุศลที่บุคคลบำเพ็ญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลธรรมที่ทำให้าศาสนาเสื่อมและเจริญ ทำสองประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. บทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี 2. อ, อัดที่สืบทอดขยายความไม่ดีแม้อัดแห่งบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีก็ชื่อว่าเป็นการสืบทอดขยายความไม่ดีภิกษุทั้งหลาย ทำสองประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสู์หายไปแห่งสัตรรมทำสองประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งศัตรรมทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. บทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาดี 2. อ, อาัดที่สืบทอดขยายความดีแม้อัจแห่งบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ดีก็ชื่อว่า เป็นการสืบทอดขยายความดีภิกษุทั้งหลายทำสองประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัต์ธรรมอธิกรณ์วักที่สองจบ พาลวัหมวดว่าด้วยคนผ่าลหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพานสองจำพวกนี้คนพานสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่มีเห็นโทษโ ด, ดยความเป็นโทษสองคนที่ไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลอื่นแสดงโทษคนพานสองจำพวกนี้แหลบัณฑิตสองจำพวกนี้ บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ1คนที่เห็นโทษโ ด, ดยความเป็นโทษ2คนที่ยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลอื่นแสดงโทษบัณฑิตสองจำพวกนี้แหล2คนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ1คนเจ้าโทสะที่มีความโหดร้ายอยู่ภายใน2 คนที่เชื่อโดยยึดถือผิดคนสองจำพวกนี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคต 3. ามคนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ1คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้2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 สคนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้คนสองจำพวกนี้แลย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคต 4. คนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่แสดงสุดตันตะที่ควรขยายความว่าสุดตันตะมีการขยายความแล้ว 2. คนที่แสดงสุดตันตะที่มีการขยายความแล้วว่าสุดตันตะที่ควรขยายความคนสองจำพวกนี้แหลย่อมกล่าวตูตถาคด 5. คนสองจำพวกนี้ย่อมไม่กล่าวตูตถาคดคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่แสดงสุดตันตะที่ควรขยายความว่าสุดตันตะควรขยายความ 2. คนที่แสดงสุตันตะที่มีการขยายความแล้วว่าสุตันตะที่มีการขยายความแล้วคนสองจำพวกนี้แหลย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคตคติและฐานะสองอย่างเป็นต้น ผู้มีการงานปกปิดไว้พึงหวังได้คติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกาเนิดสัตยรชาญผู้มีการงานไม่ปกปิดไว้พึงหวังได้คติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือเทวดาหรือมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิพึงหวังได้คติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกาเนิดสัตยรชาญผู้เป็นสัมมาทิฏฐิพึงหวังได้คติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ เทวดาหรือมนุษย์สถานที่รองรับคนทุศีลสองแห่งคือนรกหรือกําเนิดสัตว์เดรัจฉานสถานที่รองรับคนมีศีลสองแห่งคือเทวดาหรือมนุษย์เราพิจารณาเห็นอนํานาจประโยชน์สองประการจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอํานาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างคือ1 เห็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตน 2. อ, อนุเคราะห์คนรุ่นหลังเราพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้แลจึงอาศัยเสนานะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ ทำสองประการนี้เป็นฝ่ายวิชาทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสสนาความเห็นแจ้งสมถะที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมไม่สําเร็จประโยชน์อะไรคือย่อมให้จิตเจริญจิตที่เจริญแล้วย่อมไม่สําเร็จประโยชน์อะไรคือย่อมละราคะได้ วิปัสนาที่ภิษุเจริญแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคือย่อมให้ปัญญาเจริญปัญญาที่เจริญแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคือย่อมละอวิชชาได้จิตที่เศร้าหมองเพราะราคะย่อมไม่หลุดพ้นปัญญาที่เศร้าหมองเพราะอาวิชชาย่อมไม่เจริญเพราะสำโรคราคะจึง ม, มีเจโตวิมุตติเพราะสำโรค อ, อวิชชาจึงมีปัญญาวิมุตติ พานและ ว, วักที่สจบ 4. สมจิตวักหมวดว่าด้วยเทวดาพร้อมใจกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภูมิอศับรุษ และภูมิสัพบรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภูมิอสัพบรุษเป็นอย่างไรคืออสัพบรุษเป็นคนอกตัญญูเป็นคนอกตะเวทีความเป็นคนอกตัญญูความเป็นคนอกตตะเวที อสัพุรุตทั้งหลายสรรเสริญความเป็นคนอะกตันยูและความเป็นคนอกตะเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิอาสัพุร ah ุษภูมิสัปพุรุษเป็นอย่างไรคือสัพุรุษเป็นคนกตันยูเป็นคนกตะเวทีความเป็นคนกตันยูความเป็นคนกตะเวทีสัพุรุษทั้งหลายสรรเสริญความเป็นคนกตันยูและความเป็นคนกตะเวที ทั้งหมดนี้เป็นภูมิสั บ, บุรุษการตอบแทนที่ทำได้ยากการทำตอบแทนแก่ท่านทั้งสองเราไม่กล่าวว่าเป็นการทำได้โดยง่ายท่านทั้งสองคือใคร คือมารดาและบิดาถึงบุตรจะมีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีประคับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งประคับประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ําและการบีบนวดและแม้ท่านทั้งสองนั้นจะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลงบนบาทั้งสองของเขานั่นแลการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่า อันบุตรได้ทำหรือทำตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลยถึงบุตรจะสถาปนามารดาและบิดาไว้ในราชสมบัติซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งแผ่นดินใหญ่ที่มีรัตนเจ็ดประการมากมายนี้การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรได้ทำหรือทำตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาและบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดให้มารดาและบิดาผู้ไม่มีศรัทธาสมาทานตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาให้มารดาและบิดาผู้ทุศีลสมาทานตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลให้มารดาและบิดาผู้ตรณีสมมาทานตั้งมั่น ดำรงอยู่ในจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละให้มารดาและบิดาผู้ไม่มีปัญญาสมาทานตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลการกระทาอย่างนั้นชื่อว่าอันบุตรได้ทาและทำตอบแทนแก่มารดาและบิดา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 และมีวาทะว่าไม่ควรทำพราหมูถามว่าท่านพระโคดมมีวาทะว่าควรทำและมีวาทะว่าไม่ควรทำอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวว่าไม่ควรทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตไม่ควรทำบาปอกุศลธรรมหลายอย่างแต่ควรทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริต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 ขินายบุคคลสองจำพวกครั้งนั้นอนาถวินิกกะ้าบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทักขิานายบุคคลคนที่ควรแก่ของทําบุญในโลกมีกี่จำพวกและควรให้ทานในเขตไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ในโลกมีทักขินายาบุคคลสองจำพวกคือหนึ่งพระเสคขผู้ยังต้องศึกษาสองพระอเสกขาผู้ไม่ต้องศึกษาในโลกมีทักขินายาบุคคลสองจำพวกนี้แลแ ล, และพึ้งให้ทานในเขตนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดารันนี้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสพระดารันนี้แลได้ตรัสพระคาถาประพันธ์นี้ต่อไปอีกว่า ในโลกพระเสขะและพระอเสขะเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาของทายกผู้บูชาอยู่พระเสขะและพระอเสขะเหล่านั้นเป็นคนตรงทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนี้เป็นเขตของทายกผู้บูชาอยู่ทานที่ให้เขตนี้มีผลมาก คนผู้มีสังโยชน์สองจำพวกเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเทตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขคครุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ประสาทของวิสาขามิคารามาตาในบุพารามเขคครุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหลท่านพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นตอบรับแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเรียกกล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ภายนอกท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นตอรับแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเรียกกล่าวเรื่องนี้ว่า บุคคลผู้มีสังโยชน์ภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมกข์พี่พร้อมด้วยอาจาระมารยาทและโคจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นหลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่ง เธอจุติจากอัตภาพนั้นเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ภายในเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้บุคคลผู้มีสังโยชน์ภายนอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายภิกษุนั้นบรรลุเจโตวิมุตติสงบอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุนั้นหลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งเธอจุติจากอัตภาพนั้นเป็นอนาคามีเมื่อกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ภายนอก เป็นอนาคามีเมื่อกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกพี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกามทั้งหลาย ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพบทั้งหลายเธอปฏิบัติเพื่อสิ้นตัณหาเธอปฏิบัติเพื่อสิ้นความโลภหลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งเธอจุติจากอัตภาพนั้นเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ ครั้งนั้นเทวดาจำนวนมากพร้อมใจกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญณปราสาทของวิสาขามิคารมาตาในบุปผารามท่านประสาเรบุตรนั้นกำลังเทศนาถึงบุคลลบคลที่มีสังโยชน์ภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ภายนอก ให้ภิกษุทั้งหลายฟังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทต่างร่าเริงขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพต่อจากนั้นได้ทรงหายจากพระเจตวันไปปรากฏต่อหน้าท่านพระสารีบุตรที่ประสาทของวิสาขามิคารมาตา ในบุภารามเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ฝ่ายท่านพระสารีบุตรก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าสารีบุตรเทวดาจำนวนมากพร้อมใจกันเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญณปราสาทของวิสาขามิคารมาตาในบุพารามท่านประสารีบุตรนั้นกำลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ภายนอกให้ภิกษุทั้งหลายฟังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัท ต, ต่างร่าเริงขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาค ทรงพระกรุณาสเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่เถิดเทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดพอที่ปลายเหล็กแหลมจดลงได้จำนวนสิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสาสิบองค์บ้างสี่ิองค์บ้างห้าสิบองค์บ้างห0สิองค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันเธออาจมีความคิดอย่างนี้ว่า จิตซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในพื้นที่ขนาดพอที่ปลายเหล็กแหลมจดลงได้จำนวน10บองค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้าง40องค์บ้าง50องค์บ้าง60องค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างนั้นเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นได้เจริญในภพนั้นแน่นอนข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้น จิตซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในพื้นที่มีขนาดพอที่ปลายเหล็กแหลมจดลงได้จำนวนสิบองค์บ้างละถึงแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างนั้นเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นได้เจริญในธรรมวินัยนี้นั่นเองเพราะเหตุนั้นแหลเธอพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราจากเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบก็จกสงบด้วยเราจากนำกายและจิตที่สงบเท่านั้นเข้าไปในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสารีบุตรเธอเพึงสำเนียกอย่างนี้แหละสารีบุตรพวกอัญญะดิรถีิปริภาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมบัญญายนี้ได้เสียโอกาสแล้ว ปัจจัยแห่งการวิวาดข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกธรรมะหะเขตเมืองวรนาครั้งนั้นพราหมณ์อารามทันทะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้ถามท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านกัจจานะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แม้กษัตริย์ก็ขัดแย้งกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ก็ขัดแย้งกับพราหมณ์แม้ขหาบดีก็ขัดแย้งกับขหาบดีพระมหากัจจานะตอบว่าพราหมณ์เพราะความยึดมั่นกามราคะตกอยู่ในอำนาจกามราคะกำนัดยินดีในกามราคะ ถูกกามราคะกลุ่มรุมและถูกกามราคะครอบงำเป็นเหตุแม้กษัตริย์ก็ขัดแย้งกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ก็ขัดแย้งกับพราหมณ์แม้ข้าบเดีก็ขัดแย้งกับขหาบดีพราหมณ์อารามททันทะถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมณะขัดแย้งกับสมณะพระมหากัจจานะตอบว่าเพราะความยึดมั่นทิฏฐิราคะ ตกอยู่ในอำนาจทิฐิราคะกำนัดยินดีในทิฐิราคะถูกทิฐิราคะกลุ่มรุมและถูกทิฐิราคะครอบงำเป็นเหตุแม้สมณะก็ขัดแย้งกับสมณะพราหมณ์อารามทันทะถามว่าบุคคลที่ล่วงพ้นความยึดมั่นการมราคะการตกอยู่ในอำนาจการมราคะความกำนัดยินดีในการมราคะการถูกการมราคะกลุ่มรุม และการถูกการมราคะครอบงำนี้และบุคคลที่ล่วงพ้นความยึดมั่นทิฏฐิราคะการตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิราคะความกำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะการถูกทิฏฐิราคะกลุ่มรุมและการถูกทิฏฐิราคะครอบงำนี้ยังมีอยู่ในโลกหรือพระมหากจานะตอบว่าบุคคลที่ล่วงพ้นความยึดมั่นการมราคะการตกอยู่ในอำนาจกามราคะ ความกำหนัดยินดีในกามราคะการถูกกามราคะกลุ่มรุมและการถูกกามราคะครอบงำนี้และบุคคลที่ล่วงพ้นความยึดมั่นทิฐิราคะการตกอยู่ในอำนาจทิฐิราคะความกำหนัดยินดีในทิฐิราคะการถูกทิฐิราคะกลุ่มรุมและการถูกทิฐิราคะครอบงำนี้ยังมีอยู่ในโลกพราามารมัฏฐานะถามว่า ก็ใครในโลกที่ล่วงพ้นความยึดมั่นกามราคะการตกอยู่ในอำนาจกามราคะความกำนัดยินดีในกามราคะการถูกกามราคะกลุ่มรุมและการถูกกามราคะครอบงำนี้และที่ล่วงพ้นความยึดมั่นทิฏฐิราคะการตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิราคะความกำนัดยินดีในทิฏฐิราคะการถูกทิฏฐิราคะกลุ่มรุม และการถูกทิฏิราคะครอบงำนี้พระมหากัจจานะตอบว่าในชนบทด้านทิศตะวันออกมีเมืองหลวงชื่อสาวัตถีณกรุงสาวัตถีนั้นขณะนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกำลังประทับอยู่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงล่วงพ้นความยึดมั่นกามราคะการตกอยู่ในอานาจกามราคะ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 พราหมณ์อารามทันทะได้ลุกจากที่นั่งโหมผ้าชเวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าข้างขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปอยังที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่อุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ความกำหนัดยินดีในทิฐิราคะการถูกทิฐิราคะกลุ่มรุ่มและการถูกทิฐิราคะครอบงามนี้ท่านกัจจานะภาสิทของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกัจจานะภาสิทของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกัจจานะประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่าเปิดของที่ปิด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 คนแก่และภูมิคนหนุ่มสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจานะอยู่ที่ป่าคุณทาวันเขตเมืองมัทุราครั้งนั้นพราหมณ์กัณฑารยาณะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยละถึงพราหมณ์กัณฑารยนะผู้นั่งนั่ที่สมควรแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านกัจานณะข้าพเจ้าได้ฟังมาว่า สมณกัจจานะไม่ยอมกราบไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งท่านกัจจานะเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวการที่ท่านกัจจานะทําเช่นนั้นไม่สมควรเลยท่านพระมหากัจจานะตอบว่าภูมิคนแก่และภูมิคนหนุ่มที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์นั้นตรัสไว้มีอยู่ถึงแม้นับแต่เกิดมาบุคคลจะเป็นคนแก่มีอายุแปดสิปี90ปีหรือร้อยปีแต่เขายังบริโภคกามอยู่ใน่้ำกลางกามถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาถูกกามวิตกกัดกินอยู่ยังเป็นผู้ขนขวายเพื่อสแสวงหากามเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นหนุ่ม ไม่ใช่ผู้ใหญ่แท้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นคนหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยแต่เขาไม่บริโภคกามไม่อยู่ในถ้ำกลางกามไม่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาไม่ถูกกา ม, มาวิตกกัดกินอยู่ไม่ขนขวายเพื่อสแสวงหากามเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่แท้ เมื่อท่านพระมหากัานะกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์กันธรายณะได้ลุกจากที่นั่งโหมผ้าชเวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าของภิกษุหนุ่มร้อยรูปด้วยเสียงกล่าวกล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิของผู้ใหญ่แต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กตั้งอยู่ในภูมิของเด็กท่านการนณะ์าสิทิของท่านชัดเจนไพเราะ ย, ยิ่งนักละถึงขอท่านกานะ จงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสมัยสองอย่างภิกษุทั้งหลายในเวลาที่พวกโจรมีกำลัง พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายย่อมอ่อนกาลังในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมไม่สะดวกที่จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไปหรือออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าบดีก็ไม่สะดวกที่จะผ่านไปออกไปหรือตรวจตราการงานภายนอกในทำนองเดียวกันในเวลาที่พวกพิกษุ์เลวซามีกำลังพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมอ่อนกำลัง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 พวกโจรย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมมีความสะดวกที่จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไปหรือออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าบดีก็มีความสะดวกที่จะผ่านไปออกไปหรือตรวจตราการงานภายนอกในธรานองเดียวกันในเวลาที่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกำลังภิกษุเลวซามย่อมอ่อนกาลัง ในสมัยนั้นภิสษุนเลวซามย่อมนิ่งเงียบนั่งอยู่ในถ้ากลางสงหรือออกไปทางใดทางหนึ่งข้อนี้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อกลื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ปฏิบัติที่สรงสรรเสริญและไม่สรงสรรเสริญภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิดของคนสองจำพวกคือฆรหัตหรือบรณฑปชิตครหัตหรือบรณฑปชิตปฏิบัติผิดเพราะการปฏิบัติผิดเป็นเหตุย่อมไม่ทําให้ญาญิกุศลธรรมสําเร็จบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเราสรรเสริญการปฏิบัติชอบของคนสองจำพวกคือฆรหัตหรือบรณฑปชิต ฆรหัสหรือบรรปชิตปฏิบัติชอบเพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหตุย่อมทำให้ยายะอุสรธรรมสำเร็จบริบูรณ์บุคคลผู้ทำให้ศาสนาเสื่อมและเจริญภิกษุพวกที่คัดค้านอัดและทำ โดยสูตรที่ตนเรียนไว้ไม่ดีด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เลื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าทำให้สัตยธรรมนี้สูญหายไปภิกษุ พวกที่อนุโลมอัดและ ร, รมโดยสูตรที่ตนเรียนไว้ดีด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุกแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและชื่อว่าดํารงสัตรุณรยานี้ไว้ได้ สมจิตวักที่สจบ 5. บริสวักหมวดว่าด้วยบริษัทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้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 บริษัทเช่นนี้เรียกว่าบริษัทตื้นบริษัทลึกเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สารวมอินทรีย์บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทลึก ภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหละบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทลึกเป็นเลิศ